จะขออธิบายเรื่องที่เจ็ดที่คางว้เมตกาก่อนคือเรื่องศาสนาธารมเยวก็จะขึ้นเรื่องต่อไปเรื่องศาสนาธาคือเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งในที่นี้นั้นหมายถึงปริยัติศาสนาศาสนานั้นมีสามนะฮะปริยัติปฏิบัติปฏิเวษ แต่ว่าติตรากฏในระดับพุทธพจน์เองนั้นมีสองเท่านั้นคือปริยัติปาสนากับปฏิเวทปาฏิปัติศาสนาสองอย่างปฏิเวทมีอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ในระบบศาสนาสามแต่พระท่านก็คุมเข้ามาเป็นประบบเดียวกันเป็นศาสนาสามอะไรที่เป็นปัญหาในที่นี้นั้นว่าศาสนาเปลี่ยนแปลงได้่ท่านหมายถึงปริยัติศาสนา คือคำสอนหรือหมายถึงระไคร์ิดกก็ได้ที่เป็นปัญหากลาวถึงในที่นี้ก็คือตอนที่เกิดปัญหาตกเฉียงกันในสาถาวัตปุนี้เราก็ต้องนึกก่อนว่าเป็นเหตุการณ์หลงังพุทธกาลประมาณหนึ่งรอยปีเศษเพราะฉะนั้นเขาก็พูดย้อนหลงังแล้วก็พูดขืบนมาเอาไว้ทั้งสองส่วน คิดว่าพูดย้อนหลังนั่นก็หมายความว่าในขณะที่กําลังถกเรื่องนี้กันอยู่หรือว่าศาสนานั้นได้เปลี่ยนแปลงใหมอ่อดังที่ผมได้ขึ้นหัวข้อไว้ว่าได้แปลงใหม่คือได้เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วและในอนาคตเบื้องหาก็จะแปลงใหม่ได้อีกอซึ่งก็หมายความว่าความเห็นของพระวจีนั้นได้มีความเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้น ตั้งแต่ครูเจ้ารงสแสดงพระธรรมเทศนาสืบมาจนกระทั่งถึงยุค ข, ของพระวารีซึ่งก็สองพันกว่าปีมาแล้วนั่นะครับคุธศาสนาได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วซึ่งคำพูดคำนี้นั้นถ้าว่าถึงตามความคิดที่ถูกต้องอโดยพุทธานุ ญ, ญาตหรือโดยหลักของเทลวาดนั้น เราก็ถือว่าศาสนาที่กล่าวว่าเปลี่ยนแปลงได้มันหรือได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วนั้นต้องมีความหมายบางแง่บางแง่นั้นเปลี่ยนไม่ได้ความหมายที่ว่าเปลี่ยนได้ก็คือในแง่ของปริยัติศาสนาเปลี่ยนได้คือพระพุทธเจ้าได้เทศเอาไว้ด้วยพ้อยคำใด เมื่อสังฆยานาหรือผู้ที่ได้ทรงจำพระสูตรก็ทํารเทศนาที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในที่นั้นๆไปแสดงแก่บุคคลอื่นในที่อื่นๆก็อาจจะพูดเป็นคำพูดอี่หรือเปลี่ยนโครงสร้างหรือวาระของการแสดงจะเป็นอย่างเรียกว่าเป็นอย่างแนวความคิดของตนเป็นอย่างจำนวนของตนเรื่องอย่างนี้พระเทเระในสมัยพุฎกาลก็ได้เคยทําในรูปของ การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มาแล้วแ ต, ใแต่ในแง่ของปฏิบัติในแง่ของปฏิบัติเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ครับเช่นเราจะปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานโดยไม่ดําเนินตามเอกายนามัคคือสติปัฏฐานสี่ที่เดชปปุปปะภาคมาัครหรือเอกายนามัคนั้นอันนี้ไม่ได้ หรือเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นศีลเป็นทานเพื่อไปนิพพานโดยตรงอันนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในแง่ของปฏิบั ต, ติกับในแง่ของปฏิเวทศาสนาซึ่งเป็นเรื่องของเนื้อของตัวสภาวธรรมจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่มีใครได้เปลี่ยนแปลงมาเลยแล้วก็จะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงต่อไปได้อีกอการที่แจงปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องการจะบอกความหลักสําคัญสองอย่างนี้ แต่ดังนั้นเราจึงได้ถามว่าศาสนาได้แปลงใหม่หรือพระวารีตอบว่าช่แต่ที่พระวารีตอบว่าใช่านั้นหมายถึงปริยัติศาสนาที่เปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าเปลี่ยนได้หมดนะครับมันมันไม่ใช่เปลี่ยนได้หมดอย่างที่ว่าบางอย่างทรงตรัสไว้เป็นหนึ่งเช่นทำอย่างเอกในเอกานิบาต หรือในทุกกิิบาต ท, ทำสองอย่างที่กิริบาต ท, ทำสามอย่างที่ทรงบัญญัติแน่นอนไปแล้วหรืออริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยลังจะไปเปลี่ยนข้อท่านก็ไม่ได้คือถือว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเปลี่ยนเป็นเดือยอริยสัจสามหรือแถมเป็นอริยสัจห้าก็ไม่ควร อันนี้เป็นเรื่องของบางแง่ที่ถือว่าไม่ควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้การไปเปลี่ยนจะถือว่าเป็นเป็นการรมปกติรูปซึ่งถ้าเราจะพูดกันว่าอะไรควรจะเปลี่ยนแปลงในมุมไหนได้อย่างไรนั้นหรืออะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในแง่ปริญญาต น, นก็คงจะเป็นเรื่องที่ยืดยาวนะครับผมก็คงจะขอเรียนไว้ให้เข้าใจเป็นส่วนเราๆแคนี้ก่อนอ้า ข้อสองเราถามว่าอคำถาม ท, ท, ที่สองนั้นเป็นการถามเข้าหาในเรื่องของปฏิบัติกับปฏิเวทคือเรื่องของโพธิ ป, ปัฏยธรรมฐานสิบเจ็ดก็ดูเหมือนในนี้จะตกมักแปดไปเลยครับตกมักแปดไปก็เติมเจ็ดมักแปดได้แปลงใหม่หรือเข้าไปอีกหนึ่งข้อรวมเป็นโพธิปัฏยาธรรมาสิเจ็ สติปัฏฐานสี่สมประทานสี่ิบาทสี่ศีห์ห้าพละห้าโพธรงเจ็ดแล้วก็มักมอีองแปดที่ถามอย่างนี้นะมันมีความหมายถึงมีความหมายถึง ป, ปฏิบัติแล้วก็หมายถึงปฏิเวชคือการแทงตลอดในขั้นของมัชขั้นของผลแล้วก็เป็นตัวที่แจ้แจ้งผ่าน ในขั้นของปฏิบัติเบื้องต้นก็พอได้หมายถึงในขั้นของวิปัสนาธรรมเพราะว่าในวิสุทธิมัสนั้นได้อธิบายโปธิบัติยธรรมสาริกเจว่าปรากฏตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่เป็นเรียกว่าสติปัฏฐานในส่วนบุพภารักษะสมปัฏฐานในส่วนบุพพารอิธิบาทในส่วนบุพพารอินทรีในส่วนบุพพารักษะอลาในส่วนบุพพารักษโปรดจงเจแล้วก็มรรคแปดในส่วนบุพพาร คือหมายความว่าพอเราเริ่มต้นกำหนดปฏิบัติสติปฏัฏฐานไปต้นก็ถือว่าขั้นนั้นเราได้มีโทษทงบางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวบางตัวที่เกิดปรากฏแก่เราแล้วในขั้นของการปฏิบัติ <c oughs> อย่างเช่นที่เราพูดกับปรับอินทรีย์ให้เสมอกันในการปฏิบัติหรืออินทรีย์ตัวใดตัวหนึ่งอ่อนแต่ตัวใดตัวหนึ่งก ล, ล้าเดินคนอื่นเขาเราก็ต้องข่ม ต้องยกในในต้องยกในส่วนที่ย่อนต้องคมในส่วนที่กล้าเกินไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราถามข้อสองซึ่งหมายถึงปฏิบัติกับปฏิเวทตราวาทีจึงตอบแอดิเศษเพราะไม่มีใครจะเปลี่ยนได้คือสภาวธรรมเหล่านี้เราไม่อาจจะเปลี่ยนในขั้นนั้นได้หรือเปลี่ยนในตัวมันได้นะพูดใชนชัดก็คือเปลี่ยนในตัวมันเองได้เป็นสติเป็นธรรมที่ มีอุปการะมากในการทุกเมื่อลักษณะของสติก็เปลี่ยนไม่ได้ความสำคัญของสติก็เปลี่ยนไม่ได้ <c oughs> ข้อสามถามว่า ต, ตรงนี้เป็นการถามในมุมของสิ่งที่บุคคลผู้ปฏิบัติและผู้ที่ปฏิเวศจะพึงละหรือเป็นเรื่องของอกุศน เรียกว่าเป็นการกล่าวการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือของสภาวาธะธรแถบหน้าทั้งหมดนะครับทั้งสิบข้อเนี่ ย, เ, ยเป็นชื่อของอคุศนในรูปต่างๆเดี๋ยวผมจะอธิบายโดยย่อแถบหลังนั้นเป็นชื่อของกุศลเป็นพานป่าดีก็หมายความว่าเปลี่ยนจากความชั่วเป็นความดีได้หรือไม่ซึ่งไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนได้ไม่มีใครสามารถจะแปลงอยนน่างนั้นได้ ในข้อที่หนึ่งกับข้อที่หนึ่งนะครับคือศาสนาเป็นอกุศลในการก่อนได้แปลงเป็นกุศลในภายหลังหรือข้อนี้คงจะชัดอยู่แล้วเป็นชื่อของอกุศลธรรมที่เราคุ้นคุ้นกันอยู่โดยทั่วไปใครจะไปเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะอาศัยศาสต์ใดอาศัยบุคคลใดอาสายความ เพี้ยนอย่างไดก็ตามอาศัยเครื่องมืออย่างไดก็ตามเปลี่ยนไม่ได้หรือแจะโดยการเวลาก็เปลี่ยนไมได้ทาเป็นอกุศลก็ยังคงาเป็นอกุศลอยู่อย่างนันอย่างเช่นมัชริยะเกตสิกเกิดขึ้นแก่คนในก่อนพุทธกาลข้างพุทธกาลก็มีสภาพเป็นอกุศลคือตรณีเหนียวแน่นทำให้บุคคลผู้เกิดอกุศลอย่างนั้นเป็นอย่างใดแม้ในปัจจุบันนี้ อาคุโสธรรมตัวนี้ก็ไม่เคยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้เท่า้นึ่งขึ้ น, น, นจากหมายอดีตเลยนะครับวันนี้เราเราจริงแน่ใจหรือมั่นใจหรือกล่าวได้อย่างนี้ว่าไม่เปลี่ยนอันใดเป็นอันใดก็เป็นอันนั้นตลอดที่ 2. สอางศาสนาะาที่เป็นาศาสวะในการก่อนได้แปลงเป็นอนาณาวะในภายหลังหรือ อาสวะแปลว่ามีอาสวะทำมีอาสวะคําว่าทามีอาสวะนั้นได้แก่ขอกล่าวเป็นรูรวมว่าได้แก่โลกียธรรมทั้งหมดโลกียธรรมทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้หรืออาสวะเข้าไปถือเป็นอารมณ์อาสวะก็ได้แก่อาสวะสี่นะครับสามาสวะหัวสวะพิสาสวะอริชาสวะ ที่ไหลเออโดยภูมิตั้งแต่เวทีมารรกเจนกระทั่งถึงอรูปภูมิชั้นสูงสุดโดยทำตั้งอ่าตั้งแต่อคุสนและรมไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงโคตรภูอยางเป็นที่สุดอาสวะจักเขาเป็นอารมณ์ได้ไม่เหลือส่วนคำที่เป็นอนาสะวะโดยกำหนดที่แน่นอนนั้นก็คือ มัศ ส, สีผลสีนิพพานหนึ่งอันนี้เราถือเ่าเป็นอนาณาสวะหมายความว่าอาสวะไปถือเอาเป็นอารมณ์ไม่ได้อาสวะตามหมักดองในคำกล้าอย่างนี้ไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นอนาาสวะคือไม่มีอาสวาราะรอกอาสวะไม่ถือเอาเป็นอารมณ์จึงนักเป็นโลกุตตะขัข้อสามสัญโยชนิยสัญโยชนิย หรือสังโยชนนะฮะที่เราเรียกกันอย่างว่าสังโยชน์ในตำราเรียกว่าสังโยชน์หรือสังโยชนิยะแต่สังโยชนิยะหมายถึงเป็นที่ตั้งของสังโยชน์สังโยชน์หมายถึงสังโยชนิสิกมีการมาราะสังโยชน์เป็นต้นซึ่งก็เป็นอาคุสรธรรมทั้งนั้นอาคุสรธรรมทั้งหมดเหล่านี้ย่อม ตามผูกในโลเกียธรรมได้ทั้งหมดไม่ว่าโลกียธรรมนั้นจะเป็นอกุศลธ ร, รรมก็าตามเป็นกุศล ธ, ธ ร, รรมก็าตามชนธรรมที่เป็นโลภีนะแล้วก็เป็นรูปประตามเป็นนามประตามเป็นสัตในสุกติภูมิประตามสุกติภูมิปรตามสังโยชน์เข้าไปเกาะเกีเ่ยวเรียวลัหรือโดยการถือเอาเป็นอารมณ์ คือเข้าไปยินดียินร้ายตามลักษณะาอาการของสังโยชนตัวนั้นได้หมดแล้วเมื่อก่อนเป็นอย่างไรเดีย๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะไปฝืนไปแปลงให้กลายเป็นอสังโยชนิยะคือเป็นธรรมที่สังโยชตเข้าไปกอบเขียวไม่ได้เหมือนกับโลกุต ร, ระสามกะโลกรุตระสามกะเท่านั้นประการเรียกว่าอสังโยชนิยะขันถาเหมือนกันคันถานียธรรมที่คันถา หือเอาเป็นอารมณ์ได้การถาก็คือคันผาสีซึ่งเป็นตัวผูกผูกหมายถึงคันผาตัวใดอ่ากาตาตัวแรกคือคืออะไรครับอธิชากายคันธาคือความโลภนั่นเอง ความโลกอาวิจาที่แลว้วความพลังแต่ว่าในระดับการวิจารณ์มายถึความโลกทุกชนิดที่เข้าไปยินดีในอะไรนะถือวาอ่าได้เข้าไปผูกพันในสิ่งนั้นและทําใดที่พันักเข้าไปผูกพันได้ทํามั่นถือว่ายังเป็นเหยื่อของพันธะยังเป็นฝ่ายผู้โลกียะก็แปลงให้เป็นการฐานฐานิยะไม่ได้การฐานฐานิยะตองทำตายตัวจึงหมายถึงโลกตุตตรสัมการ โอค่ามิยักษเหมือนกันโอค่าที่แจววกวพ่วงน้ำพ่วงน้ําที่ดูดสัตว์หรือที่ทับท่วมทับสัต<อ>เหมือนอย่างน้ำที่ท่วมภาคใตอนะ้อ่าโอค่ก็ก็มีสีเหมือนกันนะอันนี้ต้องไปควรในเรื่องที่เจ็ดค่ะก็เป็นโลภีธรรมอีก่ครับจะแปลให้เป็นโลภุตระธรรมคืออโนค่ามิยักษ์ก็ไม่ได้ อนโนคาริยะก็คือโล ก, ร, าากรัตธรรมก้าโยคศีก็เช่นเดียวกันทำเป็นเครื่องประกอบก็ไปชื่อว่อาอุปนิทธรรมที่เรียกในจำนวนนี้นิวอนนะครับที่เรียกว่านิวรณิยะนั้นก็หมายถึงโลเกเคธรรมทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ของนิวอนนะนิวอนเข้าไปกั้นโดยการถือเอาเป็นอารมณ์เช่นอ น, นุวอนห้าหรือ นิวรณหกนะครับนิวรตัวแรกคือกามาฉันทามิวรมันเข้าไปยินดีในอะไรก็ถือว่าเข้าไปปุพันกั้นกลางในสิ่ง น, นั้นก็แปลงเป็นอนนะอออนิวรณ์อะอะออะนิวรันิยัตไม่ได้นีนะครับไม่อย่าง น, นี่ออกเสียงดีจะตั้นไปมีม่นี่ข้างข้างหน้าเป็มี่ข้างหลังเป็นนินะสุนทะ้า อ, อันนี้ก็คล้ายกันนะครับปรามาตปรามา่เฉยก็หมายถึงตัวทิิซึ่งมันแปลว่าตามศาสต์แปลว่าปรามาตแปลว่าแปลว่าอะไรครับรูปคมใช่ไห ม, มรูปคำซึ่งรู้รู้สึกว่าจะฟังเบากว่าอุปาทานที่แปลว่าความยึดแต่ว่าคำว่าปรามานั้น บางทีนะแล้วแหงก็แปล ว, ว่ายึดเลยแล้วว่าการรูปคลัมที่กลา่าวนี้ไม่ได้หมายถึงรูปคลัมอย่างไม่ยึดเป็นการรูปคลัมอย่างยึดอย่างยินดีด้วยอำนาจความเมตติเหมือนกับเรารูปคลัมเจนคลัมตัดที่รักกลัมของที่เรารักก็เป็นการรูปคลัมลูปคลัมแบบนธ น, นุถนอมซึ่งคลัมแบบยึดแต่มันจะหลุดจากมือเราไปหรือใครจะมาฉวยไปเราก็ไม่ยอมปล่อยแต่เราจะจับแน่น พกกลัวจะเป็นอันตรายแกสิ่งนั้นมันนั่นการรูปธรรมจึงเป็นลักษณะหนึ่งหรือสภาพหนึ่งของคู่ยึดในสิ่งนั้นจึงแปลว่ายึดและ อ, อง์ธรรมได้แก่ได้แก่อะไรครับปารามะทิฏฐิเจตสิกเป็นชื่อหนึ่งของความเห็นผิดตัวเดียวเท่านั้นนะ่ะเป็นชื่อของความเห็นผิดอนี้ในที่นี้นะครับเมื่อใช้เป็นคําว่าปรารามัคขา จะหมายถึงทำอันเป็นที่ยึดถือของทิฏฐิได้ทำใดเป็นที่ยึดถือของความเห็นุอยได้ทำนั้นเรียกว่าปรมามัตต์มันเลยกวา้างกว่าปรารามาสเฉยๆปรามาเป็นเชื่อของทิฏฐิตัวเดียวแต่ปรมามัตต์กลายเป็นอารมณ์ของทิฏฐิคือสิ่งที่ตัวทิฏฐิเข้าไปเห็นสิทธิุสลทิฏฐิก็เข้าไปเห็นสิทได้ แกแ่เราเกิดคุณสมบอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งได้คุณสบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยความมีเข้าไปเกี่ยวกล้องได้นหมดกระทั่งได้ฌานมาปัญญาก็ยังไม่ค้นความเห็นผิดไปได้คิดผิดเข้าไปเสียเอามาเป็นอารมณ์ความคีคือทําให้คนนิสิได้ผู้หนึ่งนะเพราะฉะนั้นพวกไดฌานไดสมาธิถึงสูงดไดปัญญาเยอะๆอย่างในสมัยก่อนพุทธกาหลหรือในสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลจึงมีความเห็นผิดเราจรึงไม่อ่านที่จะเอา อาพินญาของคนมาเป็นข้ออ้างเด็ดขาดได้ว่าคนนี้ได้ทานแล้วเขาจะเห็นผิดได้อย่างไรเขาไม่ควรจะเห็นผิดแล้วคนนี้ได้พิญญาแล้วเขาจะเห็นผิดได้อย่างไรเขาไม่ควรจะเห็นผิดอีกก็แน่ล่ะครับเออความเห็นผิดยบบหยาเขาอาจจะคนแต่ความเห็นผิดอย่างละเอียดบุคคลเหล่านี้ยังถูกขวางกั้นอยู่ก็ไม่สามารถจะแปลง่ทําอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะแปลงเป็นอนุก ปาธานิเป็นการโทษปารามะคือโลกุตละธรรมเก้าอย่างที่ความเห็นผิดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องคือหมายความว่าใครที่บรรลุโลกุตละธรรมทั้งเก้าอย่างแล้วคนนั้นจะไม่มีความเห็นผิดเลยไม่ว่าจะเห็นผิดในเรื่องโลกุตละธรรมเก้านั้นก็ดีหรือเห็นผิดในเรื่องอื่นอีกก็ตามบุคคล เช่นนี้มีปโตดาบันเป็นต้นต่ไม่มีความเป็นผิดแต่ในที่นี้ท่านกล่าวถึงตัวทำอย่างเดียวไอก้อกาวตัวคนนะกล่าอย่างที่ว่ากล่าถ้ากล่าวถึงตัวทำอย่างเช่นนิพพานมีอยู่คนผู้ได้นิพพานก็ไม่เห็นผิดในนิพพานคนผู้ไม่ได้นิพพานก็จะไปนึกถึงนิพพานโดยความเห็นผิดก็ไม่ได้แต่ที่มีความเป็นผิดคืเรื่องนิพพานเกิดขึ้น ในสังคมของชาวพุทธเราบ้างนั้นไม่เคยมีนิพพานจริงเป็นนิพพานในความคิดหรือเป็นนิพพานปริยัติจริงยังเห็นผิดกันได้ไม่ใช่นิพพานแท้นะครับอนิพพานแท้แน่แต่ถ้าบังเอิญพุทุชนจะไปรู้คิดได้จากมาเป็นอารมณ์ได้ก็จะได้เห็นคิดในธรรมพวกนี้ไม่ได้ต <c oughs> ิดนะต่อติดนี่เป็นที่ของอุ ป, ปาทานอุปาทานียะ คือทำมันเป็นที่สร้างอุปบาทานคือความพิดถือลนะอบาทานสินั่นเองก็หมายถึงโลภีธรรมทั้งหมดก็ไม่สามารถจะแปลงเป็นอนุปาทานิยะคือทำที่เป็นโลภุติละได้สังกิเลศิกะ <c oughs> ทำอันถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองก็ไม่มีใครสามารถจะแปลงให้เป็น อสังกิเลสิกะหือทำที่ไม่ถูกกิเลสทาให้ขศราหมองอันนี้ไม่มีใครทำได้นี่เป็นเป็นเรื่องหลักใหญ่กพราเหมือนกันทั้งสิบข้อนะครับแต่ว่าท่านยกมาอย่างนี้ก็เป็นสิ่งต้องการจะได้ยงประเภททาให้ดูแต่เราทีนีก้ก็เป็นประมาท ธ, ธรรมซึ่งแปลว่าอ่ะอันไม่ริสรรีคือท่านสอนว่าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างอื่นอีก สอนมาเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลไม่เป็นกุศลไปได้ไม่ว่าเมื่อไหร่ทำที่มีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนะจะเป็นความไม่เปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ได้เมื่อเราถามด้วยหยิบเอาประเภทธรรมตามข้อสามนี้มากระกาศทั้งติดประกาศปราวาทีคิงปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็หมายความว่าในเนื้อของภาวะอรมนั้นไม่มีใครจะแปลงได้เลย นั่นดีเราก็แปลงกันนี้ก็เป็นเรื่องของการแปลงเรียกว่าแปลงสลักยากันเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเรา h e a r พูดว่าจะเรียกว่าอะไรก็าตามแต่หมายถึงสิ่งนี้ก็แนละ้วกันอันนี้ต้องการจะพยายามดึงหรือตั้งสภาวะธรรมไว้เป็นมาตรฐานอันนี้เป็นการ ทำละในส่วนแรกนะครับที่พระบาทีได้เห็นว่าถึงยุคของท่านศาสนาก็ได้เปลี่ยนมาแล้วเราก็ชี้แจงว่าหมายอย่างนั้นที่ท่านกล่าวอย่างนั้นไม่ควรจะไปพูดแบบรวมๆอย่างนี้ต่อไปครับเราต้องการจะถามถึงบุคคลผู้ที่แปลงศาสนาในข้อสิถามว่าบุคคลรายก็คือใครเนี่ย อยที่เราพูดว่าใครที่แปลศาสนาของรัฐบาลรัฐบาลโคตรใหม่ได้มีอยู่หรือพระวาทีบอกว่าใก็ ค, คือมีอบเมื่อตอบว่ามีเนี่ยเขาก็ไม่ไปฟังใยได้เรียนกันไปยืดยาต่อไปแล้วก็กออกจะเป็นลักษณะของการเขียนแบบรวบลักไม่ต้องการจะถามหมดใครบางปัญหาอาจจะถามว่าใครก็หมายความว่านี่เขาตอบว่าใช่นะแปลว่ามีนี่เราก็ต้องมาคิดเติมเอาละครับว่า บุคคลอะไรที่แปลงศาสนาของพระศาสนาก็ด้มีอยู่มีหรือไม่มีเอาเป็นว่าเราพูดให้ชรัดว่าแปลงประยะัติศาสนามีใครแปลงบ้างใครเป็นคนแปลงก็บอกว่าภาษาบุคที่เป็นผู้เอาทาไปเทศนั่นแหละครัเป็นผู้ที่แปลงประยัติด้วยเปลี่ยนถ่อยคาด้วยเปลี่ยน โครงสร้างหรือด้วยขยายในการยกตัวอย่างเสริมเติมต่อเข้าไปแล้วก็ที่ถือว่าเป็นแปลงเปลี่ยนแปลงปริยัติขนานใหญ่ก็คือการทำรํำผสมสังเกตนานั่นแหละครับเป็นการเปลี่ยนแปลงปริยัติธรรมในรูปแบบที่ไม่ถือว่าผิดพระพุทธเจ้าทรงอนุมโมทนานะครับาเหมือนอย่างที่ทรงแนะนําให้ทําสังเกนาไวนั่นแหละตอนที่มีโคมตายใหมันแล้วก็ทรงแนะนํา การทำปริญญาไว้กับพระตุณหะในที่รากวดในกระสุนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าอย่างนั้นเราก็ยอมรับแล้วก็ ว, กว่าใจศรีดกเมื่อมีการพริญญาากันบ่อยครั้งข้ า, ขาก็จะเห็นว่าได้เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นมาโดยลําดับโดยลําดับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการรักษาแนวต่อการคนกว้างอ้างให้ดียิ่ ง, งขึ้น ก็นจะมีประโยชน์ในด้านนั้นซึ่งไม่ถือว่าเสียหายแต่ว่ า, าที่เอาไปแปลงถ้าเสียหายเลยก็มีบางข้อที่ท่านไม่อนุญาตไว้ว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะไปเปลี่ย น, นแปลงแล้วก็มีการไปเปลี่ย น, นแปลงหรือไปแต่งเสริมเติมเข้ามาอันนี้อะไรที่เห็นว่าชาวพุทธเราก็ทากันมากผมไปพูดธรรมะที่หนึ่ง แล้วก็เมีการแจกรายการพูดทีนี้น้าหลังรายการพูดเนีเขากินเอาเนื้อความทสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าอา่าเรื่องที่สูตรปวดเป็นเ้นเสี้ยนเนี้ยผมนึกไม่ออกดูสิพระองค์งหนึ่งที่ท่านปวดแล้วพูดที่เจ้าปรเแต่ว่าสูตรเนี้ยในท่าไทพิโดเขาก็มีชื่ออย่างนี้มีบุคคลอยู่อย่างนี้ในสูตรนะ ได้มีผู้แต่งไม่รู้ว่าใครแต่งเอาไปแต่งในโลกเทปนาเขียนด้วยสำนวนที่ไม่ใช่สำนวนพระไตรยดลบแน่แล้วก็นิยมพิมพ์เผยแพรกันผมก็ได้รับมีผู้พิมพ์เผยแพร่แจกไปโน่นไปนี่จริงก็เจอแล้วก็ได้อ่านอ่านแล้วเราก็รูน้นี่ไม่ใช่พระไตรยดลบหรอกแต่ชื่อสูตรอย่างนั้นก็พิมพ์อ่านกันดูเป็นของดี ทีนี้ข้อความในสูตรนั้นบ้าังเอิญนะเกินที่ไปขัดแย้งกับเรื่องที่ผมกําลังพูดไประโยๆพูดในการยายตามนั้นและคนที่เขาอ่านให้ข้างหลังทางโฆษณาไอ้ใบรายการเท่ยนะนะ่ะฮะเขาก็ฟังเห็นเป็นปสูตรพุธทธเจ้าเจดศัออกดนะิ์องค์นั้นเขาก็ต้องนึงกนะครับว่าเป็นพุศลกฏตอนในนั้นพูดในเรื่องเรื่องสวรรค์อยู่ในอกนรกในใจในลำลองอย่างเนี้มันกลายเป็นเรื่อง ขัดกับที่ผมได้ทานเองไปหลายจุดเลยอะแต่คนที่เอาไปพิมพ์เพื่อทานทีละหน่อยๆนี่ก็ไม่รู้วนี่ไม่ใช่พุทธุพจน์เป็นเรื่องที่แต่งกันขึ้นทีหลังโดยเอาคำของพุทธเจ้าอีกแบบเดียวกับแบบปรูตูมหายานที่เขาพูว่าแต่งสวามิบบาพุรตเจ้ามันก็เลยเป็นเรื่องที่คนไม่ถึงต้นตําราก็ไม่รู้ครับว่าอันไหนเป็นของจริงไม่จริง ใทภายเราเขียนนวัตนายขึ้นมาทั้งเรื่องแต่ว่าแทนที่จะเขียนเป็นเรื่องนวัตนายาติอารมโลกเราก็เอาตัวตัดบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าเป็นราณ น, นแล้วก็เขียนเรื่องอะไรเรียกว่าใส่ระโอษฐ์จะคนก็อ่ า, อานไปเ้าบ้านไม่ไมารู้อะไรเขาก็อ่านนี่ก็เป็นของจริงก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ใช่พุทธพจน์จริงแต่ได้เขียนแล้วก็คน ที่ยังมีสภาปาะกาศในบ้านเนี่ยก็นิยมทิมแจกกั น, น, นแบบเดียก็ยอดกันก็พัตย์ริศนะฮะกระท้ากันเลยาแต่ว่าคนท้องเอนที่ขึ้นในคนนี้เป็นเป็นพตัตยรดศไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมียอดมีต้นมีโคนมีปลายหาตนนําแดงงอนไม่ได้แต่ก็มีเชื่อมีเข้าอยู่ในนั้นในเรื่องธรรมะนะเรื่งขันเรื่องอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่มาอย่างไรถ้าพัตยริศ ก, ก็มีผู้ที่อ่าประพัน์ขึ้นในรูปนั้น แต่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องแปลงเกินพุท ธ, ธานุญาตเกินขอบเขตอะไรนีก็ต้องมีขอบเขตทั้งนั้นก็เกิดเป็นบาปขึ้นได้แล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายตัดสนในวงการกระสาสนาขึ้นเราจึงดีใจว่าเจราวาดเนี่ยเป็นของที่เราไม่ไปยุ่งกันทันมา หรือไม่เป็เอาเจตนาดีเป็นหลักหรือว่าอะไรถ้าเราแต่งเคียร์้วพุทธเจ้าแล้วก็ให้คนตัดทางไว้ก่อนจะต้องเป็นบุญเป็นของดีเสมอบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลายเป็นการกลาตูด้วยเจตานาดีไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกันมันก็เหมือนกับบางทีในสังคมพุทธเราบางคนบางคนตายไปแล้วแกก็เจตานาดีต่อศาสนามีอยู่คนนะเออแค่อะไรจะตายไปแลคงจะมไม่ได้ไปสุกติหรอมั้งคุณปุ่มยงกระเสริ เวลาแ่พูดธรรมะาแต่ละทียังกระเสือนะครับหน้าไม่เป็นมากหน้าไม่เป็นยาพูดอะ่ะและ้วแกถือนโยบายในการเผยแพร่นในการปฏิวัติความคิดของชาวพุทธในหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดตอนหลักสำคัญสาคัญในทางความเห็นหลักของระบบศาสนาเช่ น, นทาบุญอุทิศเคร่องบุตร ผีสางเทวดาคาดหน้าคาดก่อนแกไม่เอาเักอย่างเดียวเขาเขียนหนังสือมามากมายหลายอย่างหลายหายเล่มนะเนยแต่วันล้างสมอง ก, ก็มีบางคนเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแล้วแกก็ตายไปแล้วผมก็ลังถามพวกที่เข้าปฏิบัติตางคิดต้องนรก ล, ลงสวรรค์ไดนะ้ไปไหนแกเห็นผูก้กระติกระติ๊บอกว่าไปตามพระเจ้าบอกกันกับ แต่อย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอันตรายเปลี่ยนแล้วก็เข้าด้วยดแต่เราจริงยอมรับว่าทีประว่าทีตอบว่าท่านคือคนเปลี่ยนแปลงมีอยู่นะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริยัติบางแง่มีอยู่แล้วก็ไม่ว่าแต่ที่จะว่าก็คือถ้าท่านจะหมายถึง นมีคนเปลี่ยนแปลงสติปัฏฐานใหม่ได้และเปลี่ยนแปลงอื่นๆจนกระทั่งถึงอพดชงนี่นะครับก็ขอให้แก้เป็นมัดเปลี่ยนแปลงมัดหมายว่าย่อส่วนกลางกลางส่วนต้นส่วนปลายเปลี่ยนแปลงมัดใหม่ได้อันนี้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเนื้อสภาวะธรรมได้เพราะว่าธรรมเหล่านี้เป็นของก่าดังที่รู้ได้แจ้งโดยตรงยืนยานไว้ในฐานะที่เป็นธรรมสีตีธรรมนิยาเป็นทางเส้นเก่าเป็นทางสายเก่า พระุทธจ้าในอดีตปัจจุบันนาโคตก็สอนก็กล่าวอย่างนี้ก็เดินไปทางเส้นนี้เหมือนกันเมื่อเราถามโดยหมายถึงปฏิบัติปฏิเวทอย่างนี้หรือหมายถึงสภาว่ัฒน์ตัวสภาวัฒน์พระวาทีก็ตอบปฏิเสธว่าถ้าอย่างนี้คงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันได้ในข้อที่หกเราถามว่าบุคคลไร ระดูว่าได้เห็นความหมายใหมท่ที่ชัดเจนก็น่หมายถึงสภาวธอย่นี้ไม่มีใครจีบกัเนเลยอันนี้ตรงนี้ก็เป็นการกล่าวบุคคลนะฮะแต่ในข้อหถึงข้อสามเป็นการกล่าวโดวยเนื้อสภาวธรรมหลักการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในข้อสีข้อห้าข้อหกนั้นต้องการจะถามว่ามีใครจีบเนี่ สาวหาบุคคลว่าใครเปลี่ยนหลักการหลันนะก็หาคนเปลี่ยนไม่ได้ไไดอ๋อใช่อ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นนะครับเรียกว่าเป็นเปลี่ยนในรูปปริยัตนะครับใช่ไหมครับรูปปริยัตนี้เราจะเปลี่ยนยังไงก็ได้ เปล่ยนพูดพูดกลับไปกลับมาอะไรปริยัติจิตเป็นของไม่แน่เพราะปริยัติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าหลักการเข้าไปยุ่งกับคนคนไม่แน่ไม่แน่ทั้งความดีก็ไม่แน่ความรู้ก็ไม่แน่ใช็นไหมครับเมื่อไปยุ่งกับคนพูดดีก็ไม่แน่รู้ก็ไม่แน่อย่างนี้ธรรมะที่ตัวเองสําคัญจะอธิบายนั้นก็เลยออกไปอย่างผิดเพี้ยนขลื่อนกันไปเป็นหลายอย่างน่าจะตนดสนนะ ก็ไปที่ไหนก็มันจะมีคนลำ้ำทืนอยู่เลยเนาะมันเยอะและเกินพวกปฏิบัติน่ยตะวานไปพูดเที่อุทยาพวกครูบาอาจารย์ที่ไกระถามไปไม่รู้จะปฏิบัติ ท, ท่าหน้าใครถูกมันเยอะไปหมดไปไหนก็มีคนถามอย่างนี้อยู่เรื่อยอันนี้อีกพวกสนใจปฏิบัติหรืได้รู้ได้เห็นได้ฟังมากขนาดนีน้จะตอบอยังไงจะตอบนะ เขาเขาก็พยายามจะสร้างกัอยู่นะแต่ละคนนี่มุ่งจะแก้เรืองอื่นทั้งนั้นใช่ไหมผมก็ต้องตอบแบบปฏิบัติได้นะโต๊ะก็บอกว่าปฏิบัติที่ไหนอย่างไรเมื่อไหรดีที่เห็นว่าดีที่สุดเดี๋ยวนำให้ปฏิบัติเป็นหลักแล้วก่อนแต่ว่าอย่าหยุดอย่าจมอยู่แค่นั้นเราถือว่านี่เป็นเตียงอันหนึ่ง เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วก็ตามฟังตามปฏิบัติแต่เราถือที่เห็นว่าดีที่สุดก็เราจะไปพึ่งภูงมัญญาใครก็ไม่ได้ใช่ไนะเราต้องถือเราเป็นหลักแต่ว่าเราไม่จิ้งการศึกษาตั้งใ น, นมุมปริยาัตาิแะมุมปฏิบัติเมื่อเราได้ไปปฏิบัติที่แล้วเห็นความรู้ความถูกต้องดีกว่าเราอ็เปลี่ยนเรียนวันเลื่อนความเชื่อเรืเรองอนั น, น, นอ่า ก็พูดที่คนเราก็เป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละนี่ไงเนีพูดเรียบไม่พูดพูดบนภาษาที่ผมพูดรงเข<ม>ียนนั่นจะอยู่เรื่องเรื่องการทักความเชี่ออยู่ในโรงพีม่าใจว่าเรียนเรียนหน้าจะออกเรื่องการทักความเชืแล้วก็เขียนอะไรยอย่างว่าเราเราเร า, เราต้องสแสวงหาไม่ดันัดใช่เพราะถ้าไม่ไม่พูดถึงไม่ดันทัดในละลายเนตรงเงี้ยวพูดกันเลใช่มรเราต้องแสวงหาไม่ดนัดนั่นดีฮ ก็ตึงตองเลื่อนนี้ไอ้ไอคนเรานี่ยมันต้องยึดผมบอกไอ้ไม่ไม่พูดให้ให้เลือกยึดแต่ให้เลือกยึดหรยึดให้เป็นนะกันเอทีนี้นรนเราก็ต้องพูดคนไม่มีความรูก็พูดให้คนไม่มีความรูก้ก็ปฏิบัติได้ตอนหนึ่งเขายึดอะไรอยู่ขอให้เขาเลือกยึดที่ดีที่สุดแล้วก็จองเลือ่อนยึดเมื่อพบหลักที่ดีกว่า เวลาเราเองก็เหมือนกันเราเรียนในวเราถึงจุดแล้ว่ะเวลานี้กัวตีว่าเราก็ยึดอยู่เหมนกังไม่ยึดในสภาวะธรรมมันเป็นมันไม่ได้จริง่ว่าเราเลือกยึดแล้เราเค่อยๆเลื่อนความยึดของเราไปอย่าไปดักดานนะอย่าไปดักดานแล้วก็เลื่อนไปจนถึงเมื่อไรก็เลื่อนไปจนกว่าจะเลิกได้เองหรือเลิกได้ก็ต่อเมื่อเราบรรลุมากขึนเมื่อนั้นเราจะเลิกจริงๆเพราะฉะนั้นะกุฏุยชนเนี่ยเราอย่า่าพูดวันเลิกอย่ายึดกันเลย พูดไม่ได้่ะพูดในตัวนะเรายังยึดเกียงแต่ว่าเรา y am, y am รยึด เ, เ, เป็นแค่ไหนเท่า น, นั้นผมก็ถือหลักของผมอย่างนี้ใช่ไหมนะใครจะมารับรองให้เราหรือเราจะมารับรองตัวเองได้ไอมที่เราเชื่อทุกวันนี่จริงเพราะเราจะกาหนดแน่อะไรลงไปแน่ต้องสมบูรณ์แล้วนะเราต้องสมบูรณ์อะไรต่างๆเราต้องสมบูรอย่างจะเชื่ออะไรลงไปได้เย่างรา้อยเปร็น ที่นี่ครูปิชฌาเราเนี่ยเราเรยกว่านะครับที่ท่ททาสอนในคารามาสู น, นาาเนี่ยเราปฏิบัติตรงมันข้ามหมดใช่ไหมนอย่างยิ่ครูเนี่ยเราก็ยิ่งครูเราก็รู้สึกว่าปฏิบัติตามที่ท่านเป็นตำลาแต่เรามาดูใน ข้อเจ็ดข้าแปเข้อเกา้าตรงนี้สูขึ้นไปถึงอนอาคตคือพระราชาทีเองก็กล่าวว่าศาสนาเนี่ยแปลงใหม่ต่อไปได้อีกที่แปลงมาแล้วก็แปลงได้และจะแปลงต่อไปก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้เราเรามองรวบภาพอย่างรวมๆใ น, เ, นเรื่องของปริยัติธรรมคิดว่าอย่างนั้นนะเอาแค่ข้าใจไป ด, ดุขอ ง, งเเรานี่ที่ใหม่ๆต่อไปก็คุณจะต้องมีการแปลงนี่ที่ใหม่นี่ก็แปลงหัวข้องข้ออะไรกันมา ใช่ไหมครับอาจจะมีแก้แปลงรูปเลยแปลงอะไรแต่ก็เป็นการแปลงที่ใช้ได้แล้วก็มันอาจจะไปถึงจุดหนึ่งที่เกิดการแปลงกันอย่างเสียหายประดัเราก็ไม่รู้เหรอเรื่องศาสนามีวันเสื่อมมาถึงจุดที่จะเสืมก็อาจจะมีการแปลงอย่างเสียหายใช่ะหมะหรือว่าถึงยุคที่จเจ้าความคิดที่ไม่ค่อยจะรับอรองก็อาจจะเกิดการปฏิวัติข้าราชก เขียนว่าเอาพระวินัยออกหรือวอาพิธามมาประศุตหรือเอาประศุตออกหรือพิธามบวินัยหรือเอาวินัยเอาพิธามออกหรือวินัยแต่ประสูตก็าจจะเป็นไปได้หรือเอาเรื่องบกฉากมน้าฉากนี้ออกบอกมันก็อาจจะเป็นไปได้ใชถ้าบังเอิญคนพวกนั้นเขเกิดมีอำนาจขึ้นมาในศาสนานี้งเขาก็อาจจะทาอย่างนั้น มันอยู่ที่ว่าทําเป็นอานาจหรืออาทำเป็นอำนาจอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเราก็คงจะไม่ต้องพูดกันนะว่าอนาคตเป็นไงแต่สาณาจารย์่านต่างๆไว้ครับว่าอย่างเช่นพระติดิศกเนี่ยอะไรเสี่ยวก่อนเดือนหลักว่ามันเป็นด่วนด่วนด่วนชั้นชั้นชัเราก็ไม่รู้นะครับว่าสมัยโพสระพูสงที่มีแต่ถ้าเหลืองห้อยหูเนี่ย ตอนนั้นก็ทายทีโดก็ได้เปลี่ยนแก้เป็นว่าการผมจีวรนี่มีการแก้วินัยบัญญัติเป็นเหลือแต่เอาเหลืองห้อยหูรักก็เลยถือเอาปฏิบัติตามเพียงแค่นั้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้พันแกอ๋อคนนักปู่ตกแนี่จนี่ เรียกว่าจะดูพกตะกูส่งลกนาจะดูพวกอนุสาสนณาจักนี่ไม่ไมด้ไปพูดกันแกันแน่กัน ะ, นะเราพูดกันในกายอย่างนั้นเองอ๋อพูดเองใช่ไหมฮะโอ้ควรจะให้พ่อสังเกตเอาละอ่า น, นี้เรื่องภาษาศาสนาจะจบจะนีนะครับเรามาดูเรื่องที่แปดต่อเรื่องที่แปดมีชื่อเรื่องว่าตรุง น, นาคาา คือเรื่องความสงสารหรือเรื่องความกรุณานี่ก็เป็นเรื่องของปัญหาทางค่อยคำปัญหาทางสภาวะคำด้วยเหมือนกันคือเรื่องของชื่อสภาวะรำเนี่ยเราก็ต้องพอใจว่าที่พรัชญาธรรมเราใช้ในี่ยเราพยายาจะใช้แบบใช้ในขอบเขตของภาวะรมนะครับเราจะไม่ใช้นอกขอบเตขตภาวะคำแต่ ในภาษาดีดบดมาสู่เราไม่ไหนาบางทีแกใช้เป็นสองอย่างให้มันจะใช้เราบางทีใช้เป็นสองอย่างคือใช้เป็นภาษาตลาดกับใช้ภาษาสภาว ะ, ส, าะสองอย่างนะคะเพรา ะ, ะนั้นบางทีเราต้องดูว่าให้เป็นจรรยาอย่าวันวันนี้นะวันนี้ผมก็เล่าอะไรนี้แต่วผมไปดิวแล้วนักธุริการก็อันหนึง่ง การไปทำบุญสร้างภาษาจะนกัคอมพิวเตอร์ทำบุญสี่ต้องสี่หมืนบาททีนี้ผมก็อาจารย์สมน์ก็พาเข้าห้องคองมพิวเตอร์ผมก็เข้าไปดูแล้วบอกผมบอกว่าเรากดคําที่เป็นชื่อของคนบริจานคนบริจาคเป็นชื่อคุณปานิปานิปหรือเปล่าเขาบริจากไปแล้วตก็งปรากฏว่าอันนี้เป็นผู้ที่ทำมีเพียงหนึ่ง ในรูปแบบต่เอเนะืตอนนิสัยคุณตา น, นิสคุณบุคลณเขาตัวนิสกุลนั่นคือคุณไม่ต้องว่นิือเนนี่ยต้องต้องคงจัตั้งขึ้นมาด้วยความหมายที่ดีนะฮะตนนนนนนันี้ตาลิธาในพวกนี้นิตานี้เนี่ยครับ มันมีความในข้อเทนบดที่กดดูเนี่ยมีที่ไทยอยูเจ็ดสิบสี่74แล้วที่มีมากที่สุดคือแลข้อเทนบดเล่นสามสิบเจดคือสถาวัตถุที่เราเรียนแล้วก็ในในเล่นที่ยี่สิเก้ามานิเทศก็มีเยอะซึ่งคำว่าปันนิคผูดไทยนะเขาครับหรืออาจจะไปขอปลาที่ไหนตั้งวันหลังกยจะลองถาม ท่นก็คงจะตั้งวลหมายเอาความหมายที่ดีความหมายที่ดีกับความหมายที่ไม่ดีความหมายที่ไม่ดีนั้นองค์ทำได้แก่โลภะเจตสิกหือพัวงานชื่อตันหาผู้ชายผ่านวัตถุนี้เป็นชื่อโลภะหรืชื่อตันหาที่คํานี้ตามลับแปลวว่า แต่ว่าความอ่า อ, อ่หมายถึงความเอาไหว่าความอ่อานเรื่องของความตั้งมั่นของไอ้ตัวโลภนะเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้ทีนี้จะอยจะมาแปลยังไงกต่มันหมายถึงความที่โลภนะเข้าไปตั้งมั่นติด อ, อยู่ในอาตอม ที่มันมีดีพอใจปัญหาดีไม่พนี้แต่ว่าปรารถนาทามีเขาปรารถนาประสบผลหมายถึงความปรารถนาความอยากจะได้เป็นรองนั้นนั่นก็โลภเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงหมายถึงโลภะแต่ที่เป็นความหมายที่ดีก็มีเช่นปนานิธานแปลว่าวจีปาิธาน มนโนปณิธานกายปณิธานจัดเป็นเรื่องของอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีที่เราจะใส<า>่องค์อะไรหรือองค์ธรรมรวมอธิษฐานบารมีความตั้งใจความตั้งใจมั่ เจตนาไดไ้ตั้งเจตนาให้หมาหรือฉันท่าอะไรพวกนี้นะจากฉันท่าเจตนาในวันนี้วันนี้ที่วันนี้ในที่นี้พูดตั้งก็คงแกะหมายถังอย่างนี้แต่มันเกิดยังมีสองอย่างแต่ว่าในในทางพระธรรมเนี่ยคำนี้เราไม่ถือเป็นศัพท์เทคนิคใช่ไหมฮะไม่เป็นศัพท์เทคนิคที่เป็นชื่อโลงจิต ด, ดวงใดที่เป็นชื่อของเจติจ ด, ดวงใดนี่เป็นตัว อ, อย่างที่นี้ชื่ออื่นๆที่เป็นศัพท์เทคนิค ที่ใช้แล้วเราก็หมายถึงได้ยินคํานี้ต้องหมายถึงความไม่ดีแน่ยกตัวอย่างเช่นคําว่ากามการถ้าเป็นศัพท์เทคนิคแล้วเป็นบุญไม่ได้เลยนแต่นะมันต้องเป็นโลภถ้าเป็นวิเลสกาหรือเป็นวัตถุกรรมมันเป็นที่ตั้งโลภก็เป็นเรื่องของปูนงานเป็นตัวความโลภแต่เหยื่อของความโลภสองอย่างแต่จะไปใช้เป็นเรียว่าเป็นภาษาตลาดออกไปนะ าทมามัจกาโมประวังโห ต, ติผู้ยินดีในอามเป็นผู้เด่นทำอย่างนั้นกับไม่เป็นไรเป็นเป็นของดีไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็เหมือนกันครับเรื่องการุณาการุณานั้นโดยชื่อจริงๆแล้วเราก็ได้ยินว่าทั่วทั่วไปในพระอภิธรรมในกระสูรนั้นจะเป็นชื่อเรียก ของกูฏสนลธรรมใช่ไหมนะเป็นชื่อเรียกกูฏสนลธรรมเมตตามุมามทิตาอุาาเบขาก็เหมือนกันแต่ว่ามุทิตานั้นบางทีก็เป็นอะเป็นโลภามีบ้างเหมือนกันแต่ว่าโดยปัญหาทางสภาวธรรมเนี่ยบางทีเขาแยกจริงกรุณาออกไปว่าไอ้กรุยาณเทียมใสกัลยาณเทียมเหมือนกับเราพูดแบบท้องมั น, นยังจริงไอ้ความหมายตรงง ของจริงๆมันต้องเป็นของดีข อ, องแดงแต่มันเกิดจะมีสิ่งเทียมทองก็ละละคำว่าทองไปล่วใไถด้วยเป็นทองเทียมเหมือนอย่างวิจิปิชามีปฏิรูปการวิจารราคะก็มีปฏิรูปการาคะการุณาก็มีปฏิรูปการราคะอาการุณาคือกรุณาปฏิรูป มุทิตาปสิรูปเมตตาปสิรูปคือสภาวะที่เป็นอกุศ ล, ลธรรมที่มีลักษณะละไม้คล้ายคลึงกันกันกบกุศ ล, ลธรรมอันนี้มีอยู่หลายเรื่องนะครับบางทีในตำราท่านพูดถึงมีตัวปัญญาอย่างก็ยังมีกิเลสปัญญาลักษณะคล้ายปัญญาใช่ไหมฮะอ่านะเป็นบัญญาเตียมอ่านั่นไง เออนั้นจริงต้องมากกเสียงกันผมก็จะขอเข้าเรื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปแก่ในข้อที่หนึ่งปัญหาว่าพระพุทธเจ้าต้องมีประมวีหารสี่หรือไม่ตรัสรัทีได้มีความเห็นว่าการุณาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีเขาได้แสดงความเห็นวาทะอย่างนี้ออกมาถือว่าน่าจะผิดใช่ไหมครับ กุตเจ้านั้นมีกรุณาไม่ใช่จุลกรุณาเป็นมหาการุณาพระมหาการุณาที่มีตอ่อสรรพสัตวอย่างเรานไม่มีมหาการุณามีท่าการุณาในมหาบุตรศรแต่กรุณาอย่างยิ่งใหญ่กว้างไกลเป็นนิจเสิญอย่างกาุธเจ้านี่ไม่มีแต่สรรวัตีกลับมาพูดอย่างนี้ เมื่อเราถามว่าพระเจ้า ม, มีกรุณาหรือพ ร, าาระวจีตอบว่าช่ที่เขาตอบว่าใช่อย่างนี้เขาเกิดจะหมายความอย่างอื่นหมายถึงปฏิรูปกระกรุณากรุณาเทียมการุณาเทียมเป็นยังงอย่างเช่นเราเห็นคนที่ได้รับความทุกข์นักปรากฏอยู่เฉพาะหน้า เห็นแล้วเราสงสารร้องโหยร้องไ ห, ห้เป็นการใหญ่เป็นกัลยานะครับพระพุทเจ้าเคยเห็นใครเคยร้องโหยร้องไห้อย่างที่เราชาวบ้านเห็นกันไหมไม่ทำไม่มีอย่างนั้นแสดงว่าพุทธเจ้าไม่มีกัลยาณา์อย่างนี้เนะครับผมเพราะว่าความสงสารอย่างนี้จริงๆแล้วควรจะถือว่าเป็นกรุณาหรือไม่ใช่กรุณา เราล อ, ลองตอบดีครับใครที่แม่นๆนะพี่ทั้มเป็นกุณาไหครับสงสารแล้วร้องอุ้มร้องห้าสงสารแล้วเกิดความไม่สบายใจอืดนะนอนไม่หลับแล้วใครถามาเป็นไงนอนไม่หลับเป็นไงร้องห้าบอกสงสารการัลยาณ์แต่สงสารเขาเขาอาจจะเสดงแม้นนคุณจะ ม, มีความกุณาแรงแนะเกิดเป็นโทสาเพราะฉะนั้นไอ้โทสากพวกนี้ครับ มันเป็นโพธิที่มาเกิดข้าเกี่ยวก่อนหน้าแ ล, แล้วก็คายหลังกรุณนาจริงจริงถือว่าเป็นกรุณนาเกี่ยวเราลองมาดูกันไอ้ที่เกิดก่อนหน้ารามางออย่างที่เราพูดกันว่าคนที่จะเกิดกรุณาก่อนหน้าที่จะเกิดติดเต้าเต้าหมอบก่อนา เกิดความข้าวหมองไ้เรื่เกิดความสงสารแล้วเมื่อสงสรแล้วก็ข้าหมองอีกได้สมุนตราของปัญหาก็คืออุคกรณนบรจางอุปสมปุ่นเป็นปัจจแต่บางทีการานิดเดียวเดียวละร้องไห้นะไม่ร้อโผล่ที่อันนี้เป็นไปได้ เราะฉะนั้นสภาพของความโศสางที่เกี่ยวพันาสายกัลาเ็นปัจจะเป็นปัจจัยเดีวนานั้นอรู้ว่าเป็นกัลยาตัญอลาเสตปัญน้นทำมันได้ครับยังนั้นได้ครับค่ะงนั้นเป็นอีกเรื่องเรื่องมันไกลออกไปนิดแต่ถ้าที่เอาคือใกลใกล้ใกล้เียงกันียกัเกือจแยกใออกว่าเป็นกัลยาเสตไหน หรือถ้าชาวบานต้องไแยกเลยหรืว่าเป็นเดียวๆเลยเป็นของมือถือเกิจะท่านบางทีก็หรือเราเป็นตะเภาเนีนะฮะอย่างคนจีนจะต้องมีการร้องไห้ใครไปเยี่ยมศพเยี่ยมอะไระกันละก็เยี่ยมก็โคนใกลยย้จะตายดูใจกันแล้วไม่ร้องไห้ก็จะเป็นที่น่าดมินะครับเพราะฉะนั้นเนย่าที่เราดูหนังสาลก็ดีบางทีร้องไหย้ยังอะไรดีตอนแห่ศพนะฮะร้องไห้กัน บางทีก็ลูกสะพายมาลองเอาลูกลเชื้อลูกชายลูกสาวลูกเขยมารลองบางทีเออมาลองไม่ได้ไปจ้างเขามาลอง็นจีนก็ยังมีเดี๋ยวนี้เมืองไทยเรายังมีหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นยังมีใช่อ่มจ้างลอกเพื่อให้คนอื่นก็เห็นว่าคนตายเนี่ยต่างคุณงามความเดียวไว้มากดูคนาาหแต่ทำเนียมพระ หรือคติของศาสนานั้นกับสัเนเสริญการไม่้องให้เห็นเป็นธรรมดา ใ, ใครไม่ลองได้ถ้าไม่ลองก็มีอยู่สองอย่างอย่างนี้ไม่ลองเพราะดีใจจะได้ใช้ใจลมปัดอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นจะได้แต่ของท่านท่านหมายถึงไม่ลองเพราะโลง ต, ตัวเวตในํามพระพุทธเจ้าพระนิพพานเนี่ยท่านก็ไม่ได้สัเนเสริญจให้ลองท่านกับเทพ กับปลอกเจนพระอ น, นุร้องเป็นต้นพระเจ้ากับปลอกให้เกิดสังเวทนะครับนี่เป็นหลักที่เราปฏิบัติได้ว่าเวลาที่คนที่เรารักเราอะไรเนี่ยเกิดลมหายตายไปแทนที่เราจะรับจะต้องทิ้ความรู้สึกที่มันจะแก้ความเศร้าได้คือสังเวทสังเวทว่าเช่นว่าเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่หนีความเป็นอย่างนั้นไปได้เป็นกุศลคับเป็นบุญ เป็นเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยเังนอนผมชอบคําพูดของพระก็มาถานตรงหนึ่งมีคนร้องให้ลูกตายไปสามท่า น, นให้ให้กันปลอบอะครัท่านแทนที่ท่านจะปลอบด้วยกระดูกบอกให้ตายแล้วเราไม่ตายนดห น, น่ยเงียบเลยแต่ให้พอคิดดีว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันเรเกิดสติปัญญาขึ้นไปงานศพใครก็ตามถ้าเรารู้สึกได้อย่างนี้ก็ เ, เป็นนั้นว่าใได้ เรื่เมตตาคือความรักอันนี้เราก็คงจะพอจะได้ยินผ่านหูมาบ้างเรื่องเมตตาเทียมที่ที่เขาถือว่าเป็นศัตรูใกล้ของเมตตาศัารตรูใกล้เมตตาคือโทสะใช่ไหมโทสะเป็นปฏิปักษ์ตรงแล้วก็เป็นปศัตรูไกลออกไปก็คือราคะถ้าที่ว่าเป็นศัตรูใกล้ในในความหมายวิสิทธิมรรคอธิบายเรื่องนี้มันไม่ได้มีความหมาย แบบอย่างนี้นะครับมันมีนความหมายใกล้เป็นปตัวตัดกลับกันใช่ไหมเพราะว่า<อ>คนที่เกิดจะแผ่เมตตาเนี่ยเราจะแผ่เพื่ออะไรจุดหมายของการแผ่เพื่อที่จะแก้ความไม่ชอบใจในตัดอื่นใช่ไหมปัญหาเฉพาะหน้าเราแสวงความไม่ชอบแต่ว่าพอแผ่ไปแล้วเนี่ยบางทีเช่นแผ่ไปยังตัดประเภทตรงข้าม เป็นต้นไอ้ร า, าคามันเกิดร า, าคาเนี่ยมันเกิดจ า, ากอารมณ์วพวกนี้ก็เลยถือว่าเป็นศัตรูขยับไกลออกมาหน่อยเพราะว่าเราแพ้ไม่ได้มุ่งหมายที่จะทำลายราคาจีคือว่าไกลกันมาพวกนี้ไม่ได้มุ่งหมายทำลายราคาแต่มุ่งหมายจะทำลายโทสะโทสะจริงเป็นเป็นศัตรูเฉพาะหน้าคือแปล ว, ว่าถ้าปฏิสถานอเมตตาไม่ได้ก็หมายว่าโทสะยังเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเมตตาปฏิรูป จึงหมายถึงความรักอย่างที่เราเข้าใจกันผิดอยูอย่างว่าพ่อแม่แมีเมตตาต่อบุตรเนี่ยควาจริงหลักธรรมะขั้นประมัดแล้วท่านกลับถือว่าเป็นเป็นโลภะหรือที่เรียกว่าเรียกเป็นภาษาอุตสาห์ว่าเมตตาอันหาไปมะใช่ไหมคือเมตตาที่เกี่ยวด้วยโลภะซึ่งก็หมายความเมตตาปฏิรูปนั่นเองเมตตาปฏิรูป แต่เมตตาอย่างเนี้เป็นถ้าเป็นโลภะอย่างเนี้เป็นเป็นโลภะที่เรียกว่าละเอียดอ่อนเกลือดุพุศนมากกว่าาที่เราจะไปเกิดโลภะอย่างอื่นนะครับมุทิตามันเป็นเดียวกันเช่นเราดีใจกันหลายครั้งที่สตรีไทยเราไปประกวดต่างประเทศแล้วปรกวากฏตำแหน่งต่างเป็นประวัติศาสตร์ทั้ง4 5ตำแหน่งอะไรเนี้ยนะฮะ หรือเป็นนางงานเราก็ดีใจนะักกีฬาไทยเราไปแข่งต่างประเทศเราชนะเราก็ดีใจแล้วก็บางทีถ้าเรารู้จักเราก็ไปแสดงความยินดีเอาไปเช่าดอกไม้ไปให้อะไรอะไรแกล่าแดดเราก็บอกว่าี่มาแสดงมุติตาหรือบางทีนในวงการปลาครูบาอาจารย์พระที่เรารก็รบนังสื อ, ท, อท่านได้เลื่อนตำแหน่งัดเราก็เจิญกันมาแสดงมุติตาสักการะ ต่อปูบาันล่ะซึ่งบางทีไม่ได้เป็นวุติตาจริงนะมันเป็นเรื่องถ้าท่านเป็นท่านเป็นสมเด็จก็ดีเราก็จะได้เป็นลูกศิษย์สมเด็จนะาโอกาสที่จะได้ขยับไปเยือนเลื่อนอะไรไปเราก็ยังมีโอกาสมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยมีเอโลภคแสงเข้าไปที่ขออาจารย์โทษทยกตัวอย่างตามรวตรรมตอนนี้อุเบกขาอุเบกขาที่เป็นอุเบกขาโดยธรรมที่เรียกว่ายานุเบกขาวางเฉยด้วยความรู้ ด้วยความเข้าใจจริงเฉยกับวางเฉยด้วยความไม่รู้ี่เรียกว่ายาดเบิดขาเพราะไม่รู้เราจึงวางเฉยหรือคือไม่รู้เลยไม่รู้ไม่จริงเราก็วางเฉยจิตใจเป็นปกติภากแต่ถ้าไม่รู้เราจริงเฉยแต่ถ้ารู้รู้ด้วยแล้วก็วางเฉยได้ด้วยอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการวางเฉยทียส่สติปะะัญญาเอาลองยกตัวอย่างในการว่า แต่ที่ว่าวางเฉยด้วยความไม่รู้นะใช่เยอะแยะไกลเห็นรอยเลยนะมันไม่เฉยด้วยความไม่รู้คุณค่าอะไรหรืออสมมติเราไปฟังธรรมะสูงๆที่เราไม่รู้เรื่องเราก็ต้องวางเฉยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็เฉยๆนะครับมั น, นมันอ่า อะไรนะทำไมอ๋อขายกันเลยไอ้ยานุเบกขาเมือนกันนี่คือจับไปจับมาก็ไม่เห็นดูแล้วก็เหมือนลูกสวยๆก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีภาตาอะไรก็รู้อ่านก็ไม่ออกก็เลยเห็นไม่เห็นคุณค่าทิ้งไปเป็นความเฉยโดยโง่เพราะฉะนั้นคนโง่มากๆเนี่ก็เป็นคนไม่จะตกตะกานแค่นั้น แต่เราไปดูอย่างคนอย่าคนบ้างเงี้ยอะไรอะไรมันก็เฉยแต่พึ่งแม่ตายมาเฉยไอภรรยาเก่าที่ยังอยู่กันทำไมยังไม่เป็นใบบ่าเข้าไปแต่งงานใหม่มันก็เฉยมันไม่รู้เรื่องอะไรหรือจะได้เด็กได้ดีอะไรขึ้นมามขาเฉยไรเรื่องแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราวางเฉยได้อย่างนี้ครับอย่างเช่นเราเห็น คน โ, โ, โดนรถนเราวางเฉยได้ไม่ใช่เฉยคือไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวแล้วก็เดินหลีกไปอ ย, ย่างนี้ก็เราต้องพิจารณาสถานการณ์ด้วยนะครับว่าเราจะช่วยอย่างนไรช่วยอย่างเียเฉยก็ได้นะคไม่ใช่วันเฉยแล้วจะต้องไม่ช่วยช่วยยังเฉเฉยก็ได้อแม่เราเป็นมะเร็งแล้วก็วางเฉยได้แต่ไม่ใช่ไม่ช่วยนะเราก็าช่วยกุลกุจ ไม่เต้าโถ่เสายใจวางเบขาเพราพิจารณาว่าตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเราก็เฉย อ, อย่างนี้ไม่ตื่นเต้นทั้งในทางรักทางชาังทีนี้พระพุทธเจ้านี่ท่านมีพรหมวิหารจริงๆนะครับที่เป็นโสปนักธรรมนะครบหมดหมหมดเมตตากรุณาเบขาหมดแต่ไม่มี มมตวิหารธรรมที่เป็นปฏิรูปเป็นปฏิรูปประการจะเป็นของเรียมก็จริงครับเพราะฉะนั้นในปัญหานี้สกาวาทีหรือกระโมคริบุตริตาจึงต้องการจะชี้แจงให้เข้าใจอย่างแยกออกจากกันว่าที่ท่านพูดอย่างนี้ถ้าท่านเข้าใจตามที่พระเจ้าแยกถามท่านเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าท่านจะหมายถึง เมตตาจริงๆกรุณาจริงๆเบคาจริงๆข้อนี้หรือวอกผิดนะครับไม่ถูกต้ อ, ตตองพระพุทธเจ้ามีกรุณาเราก็หม่ยความีเมตตาเราก็หมายควมามีมุติตาเรายกตัวอย่างนะครับต้องมีมุติตามีบ้างมครับเคไหมต้องมีมุติตามีบ้างไหม ที่เรารู้ว่ามีมุติตาก็คือในพุทธอุทานพุทธอุทานทุกเรื่องเกิดขึ้นด้วยหน้าของมุติตาอุทาในคนนะอุทานอุทานคนอุทานวัตถุสิ่งของนี้อุทานในคำมี้แต่อุทานที่เกิดขึ้นในคนเกิดขึ้นในคนก็มีเป็นสองอย่างเพรคนนั้นชั่วเขาอุทาน เพคนนั้นดีอุทานที่อุทานและเป็นมุติตาคืออุทานในคนผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีก็ทรงเปล่งอุทานขึ้นในบุคคลผู้ประพฤติดีแต่ในคนชั่วนะก็ต้องอุทานอาจารในนั้นเป็นอุทานทางเวทเป็นอุทานในพระเทวทารถึงเป็นต้นเออรู้สึกว่าบางับางเอิญบันนี้มีหนังหนังสือออกใหม่เมื่อกลางอาทิตย์ที่แล้วมาจะมาที่นันทนาการท่านเป็นตอกทอที่ใหม่แต่เดี๋ยวตอนเลิกแกแจกจะตอนเลิกยินรับ มีมมังเอินมีอยู่ยี่สิบสี่เล่มจะพอทุกอย่างแล้วมันก็จะหามาให้มันอ่เนี่ยเป็นมุธิตาทีนี้ที่เป็นอุเบกขามีกาลังมีเช่นพระเทวทัพผูกเป็นดินสูดดูอะไรมีพระลูกสิ์มานิมนต์ให้ไปปลดก็ไม่ตรงพยายาะไปเยื่อนเลื่อนออกจากที่ประทับเลยตรงวางเสยได้ อย่างนี้เรียกว่าเป็นอุเบกขาด้วยความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือต้องรู้โลกหน้าแหละว่าพระเทวทัตจะมีจุดจบอยู่ที่ไห น, นเราจรึงได้ยกหลักการเรื่องมัตรมหากรุณาขึ้นมากล่าวในปัญหาข้อสี่ว่าพระผู้มีพระภาคมิใช่ประกอบด้วยพระ รุณาหรือนี่เราถามอีกครั้งหนึ่งพระวาดีก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ในที่เ น, นี้หมายความว่าเขาตอบในความหมายความหมายไนคความหมายมหากรณาที่ว่าตรงมีพระมหากรุณาแผลไปยัง